ชื่อพิมพันธ์ค่ะชื่ออะไรนะพิมพันธ์ค่ะพิมพันธ์อ่าพิมพันธ์ค่ะอยากให้หลวงตามี ไ, มมออ ไ, มไงอะแนะนําวิธีปฏิบัติค่ะคือต้องปล่อยวางของพิมพันธ์เนี่ยคาว่าปล่อยวางหมือนกัว่าของพิมพันธ์้วจะตัฒน์พิมพันธ์เองปล่อยวางเวลาไม่ได้อย่างใจอะไรต่างๆเนี่ยหงุดหงิดชอบเป็นคนหงุดหงิดมีอารมณ์หงุดหงิดอยู่ภายใ น, ใน ให้ปล่อยวางตรงนี้รู้ตระนักแล้วปล่อยวางความงาหงดหงิดความไม่ได้อย่างใจความที่้ําคาญต้องไอ้ น, นี่ต้องต้องต้องปล่อยวางนนะั้นรู้ตถะนแล้วปล่อยวางไอ้ตัวนี้ทําให้เราตกเขาถ้าเปรียบนิพพานเหมือนขึ้นเขาเนี่ยไอ้ตัวนี้ทําให้เราเดินตกเขาตกเขาแต่ไม่ล่วงเขาเพื น, นิพพานไอ้ตัวนี้เป็นตัวเมนเลยตัวหลักเราต้องรู้ตถะนแล้วแก้ให้เร็วๆแก้ใจของเราให้เร็วๆนะเข้าใจไหมนี่แหละคือการปฏิบัติของเราไม่ต้องไปสนใจคนอื่นเรอกวาปฏิบัติยังไงแต่ของเราต้องแก้อย่างนี้ เพรอันนี้มันทําให้เราตกเขาแต่เราแก้ตรงนี้มันจะขึ้นเขาได้เราอินใจเป็นคนชอบกิ้งหงุดหงิดกิริลมขานแล้วก็มีอารมณ์เนอะเราก็แก้ซะล้วก็ัจะดีจิตใจก็ผ่องใสเออแต่ไม่ใช่ว่าเราไปสะกดไม่ให้มันเกิดนะแต่เราไปสะกดไม่ให้มันเกิดมันยิ่งดํางเงีเลยเราเพียงแต่ว่ามันจะเกิดเรารู้ตัวทันมันเราก็รีบรู้ตัวทำมันเร็วๆจะไปจะไปสะกดมันไว้รีบรู้ตัวทำมันเร็วๆเราจะไปตามใจมันรีบรู้ตัวทำมันเร็วๆเราจะไปตามใจมันแต่อย่าไปสะกดมันไว้ วิธีวิธีใหม่ๆตอนที่เรารู้ตัวทันมันเราอาจจะเราเราจะไปสะกดมันเรื่อยๆล้วก็คอยลู้ตัวทนันมาปุ๊บเราก็ลุกปัก๊บไปทําอะไรกระเด้งดึง๋งลุกไปทำนู่นทํานี่นะแต่ต้องเห็นเสีก่อนนะเห็นเสียก่อนว่ามันมีอารมณ์อย่างนี้เราอย่าไปตามใจมันแล้วพอเราลู้ตัวทนันปุ๊บกระเด้งตัวเราลุกขึ้นปุ๊บแล้วก็ลุกไปทําอะไรเลยเข้า<ๆ>ใจไหมชื่อตาลค่ะขอให้หลวงตามเมตตาช่วยแนะนําสิ่งที่ ควรแก้ไขแล้วก็ติดขัดเกี่ยวกับเรื่องการภาวนาค่ะตัาก็ปฏิบัติได้ดีแล้วนะไม่ใช่ได้ปฏิบัติได้ดีอยู่แล้วต้องทิ้งอีกตัวหนึ่งก็คือตัวทิฏฐิมานะตัวเราเก่งตัวเราลู่ตัวเราเห็นตัวเราได้ตัวเราเป็นตัวเราเข้าใจต้องรู้ต้องทันตัวนี้เพราะตัวนี้เป็นตัวสังขารปรุงแต่งเห็นตัวนี้แล้วปล่อยวางตัวนี้ไปนี่เนี้ยยังมีตัวเนี้ยขวางเลยขวางเป็นด่านและด่านการด่านใหญ่ ตัวเรารู้ตัวเราเห็นตัวเราได้ตัวเราเป็นตัวเราเก่งตัวเรารู้ตัวเราจับตัวเราเข้าใจตัวเราเป็นตัวเราตัวเราตัวเราตัวเราตัวเนี้ยตายมันเป็นทิฏฐิมานะเป็นกำแพงขวางกั้นเรารู้ตัวทานแล้วถอนทิ้งไปได้ทิ้งทิฏฐิมานะต่อพวกนี้ไปจนกระทั่งไม่มีความรู้สึกว่าตัวเราเหนือกว่าตัวเราเก่งกว่าตัวเราต่ํากว่าตัวเราเสมอกว่าคนนี้สู้เราไม่ได้คนนี้กับเราระดับ เปรียบเทียบโอ้ตรงนี้ใช่ตรงนี้ไม่ใช่มีการเปรียบเทียบฟังฟังอะไรก็เปรียบเทียบตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้เราเหนือกว่าตรงนี้เรารู้กว่าแล้วตรงนี้เรารู้แล้วอะไรเงี้ยก็จะมีการเปรียบเทียบอย่างนี้ยังไม่ใช่ทั้งหมดอันนี้เป็นอันนี้เป็นความหลงนะเราต้องรู้ท้ทันแต่ข้ามตรงนี้ไม่ได้ข้ามไม่ได้ติขออนุญาตหลวงตาชื่อชอถนอมครับถนมก็นหลังจากที่ได้ฝึกกับหลวงตามาสักพักหนึ่งเนี่ยเออ ความรู้สึกตอนนี้เหมือนกับตอนนี้มันมันข้างในมันถอยไปอยู่กับตัวตัวที่เป็นตัวรู้อะฮะอืตัววิญว ญ, ญาณ น, น, นะฮะอันนี้ตัวนี้เนี่ยรู้สึกว่าเหมือนกับว่ามันมันถอยไปไม่ได้แล้วเหมือนมีนอยู่กับตัวนี้แล้วก็เห็นตัวสังขารอะไรต่างๆที่มันเคลื่อนไหวยอยู่เนี่ยฮะ ก็อันนี้คือคือลองอ่านใจตัวเองป็นแบบนี้แต่ผมไม่แน่ใจว่าผมอ่านใจตัวเองขึ้นมานอย่างนี้ถูกหรือเปล่านะถูกแล้ว<ม>แต่มันยังไม่เห็นตัวเองที่หาที่เห็นที่ถอยพยายามถอยคือเห็นตัวเองที่พยายามหาที่พยายามถอยแล้วก็วางตัวเองไปมไม่เห็นตัวเองหาอยู่ตัวเองพยายามจะถอยให้เห็นต้องเห็นตัวเองที่พยายามถอยให้เห็นถอยตัวเองพยายามจะถอยเพื่อเห็นอะไรแล้วตัวเองก็พยายามหาให้เห็นมาในรู้ตัวตนมัน เข้าใจไหมหมายถึงว่าตัวที่เป็นตัวตนจริงๆยังไม่เห็นใช่ใช่ใช่ไอตัวผู้หาเนี่ยผู้หาผู้อยากจะให้เห็นนั่นเนี่ยต้องเห็นมันละปละมันวางมันผู้หานี่ไม่ใช่ตัวตัววิสังขารนี่ไม่ใช่จัมาผู้หาเป็นตัวผู้รู้ตัวเห็นัตัววิสังขารปรุงแต่งไม่ได้ตัวผู้หายังเป็นสังขารเลยเป็นขันห้าเอาตังค์เอาขันห้ามาปรุงแต่ง ก็คือตัวตัววิญญาณหรือตัวผู้รู้ตัวนี้ใช่ไหมครับเออผู้รู้แล้วก็มันก็รู้ว่าตัววิญญาณนั้นมันคือตัววิญญาณอักันมันคือรู้ต้องตาหูจมูลิกายใจรู้แล้วมันก็ปรุงแต่งไอตัวนั้นสาหรับสำหรับเป็นตัวมันผู้รู้ที่ตัวเรารู้สึกตัวเราเป็นผู้รู้แล้วก็ตัวเราเป็นผู้ปรุงแต่งอันนั้นก็คือตัววิญญาณอักันแต่ตัวผู้หาเนี่ยคือตัวปรุงแต่งเลยเอาสังขารปรุงแต่งเอาความคิดปรุงแต่งในขันหน้าไปใช้ใช้ปรุงแต่ง ก็คือต้องหาตัวนี้ให้เจอว่ามันมันจะหาดิถ้าหาก็ใจตัวหาะคือตัวปรุงแต่งไม่เห็นตัวผู้หาพอมันเริ่มหาปุ๊บก็เห็นเลยเนี่ยมันเป็นปรุงแต่งจะไปหาให้มันเจอหาไม่มีทางเจอหรอกเพราะว่าไอ้ตัวผู้หานั่นแหละเป็นตัวปรุงแต่งขอโอกาสค่ะเออคุณแม่หมอมาลีค่ะอ๋ออาจะถามอะไรเอ่อยากเรีนทำโอ้แม่เจ้าของบ้านเนี้ภาวนาค่ะออกอาชื่ออะไรนะซิวกีค่ะฮะซิวกีเคยภาวนาเหรอซิวกีภาวนาแต่ว่า มันภาวนาแล้วไม่รู้เรื่องไปอยู่วัดเหมือนกันแต่ไม่ค่อยไม่ค่อยรู้เรื่องโอ้ดีมากเนี่ยถ้าคนแก่อยุขนาดนี้นะปฏิบัติได้ขนาดนี้ดีมากเเยจะวางได้ไหมเนี่ยถวาตรงนี้ได้คนทุกได้เลยอวางได้มไหมนะ วางลูกวางหลานวางหมาที่บ้านเยอะไรเนี่ยวางได้ยวางวางได้กันอ๋อวางได้พนทุกได้เลยสาธุวางได้เนอวางลูกวางหลานวางหมาที่บ้านได้เนี่ยอยึดมันจริงวางได้มนะสาธุปะหลาดๆนะวางได้นะสาธุคนแก่วางง่ายเพิ่งไดเจอนอื่นสอนทไมเรจะวางะ แม่แม่วางมาได้เยอะแล้วเหมือนกับเป็นภูเขาพรนิพานเนี่ยแม่วางมาตั้งเกินครึ่งแล้ววางมาได้เยอะแล้วแต่ไปติดตรงนี้เลยเลยไปไม่ว่าเขาจะวางมาได้ระดับไหนนะพอไปติดอะไรมาไหลลงตีนเขาได้หมดเดี๋ยวคิดว่าเราวางมาขนาดนี้วางขนาดนี้เราประมาทไม่ได้แล้วพอไปติดอะไรไหลลงเขาเลยเหมือนภูเขาพรนิพานเนี่ยเรามีมีเหวที่มันเป็นบ่อลึอกขนาดใหญ่จากจากภูเขาเนี่ยแล้วก็พลาดลงตีนเขาเนี่ยพอไปยึดอะไรกระโดดลงเหวหมดแล้วเราก็ตกเห ว, เวนะไหลลงมาถึงตีนเขาเลย ทายิพย์นานๆเข้าไม่ยอมจากติด ต, ต, ต, ติดตกต้นตีเขาจิตดาปีเลยอเ อ, อเนี่ยยึดอะไรไม่ได้ทั้งหมดนะต้องไปวัดตลอดสายแล้วมันจะ ส, สว่างสวยขึ้นไปสว่างสวยขึ้นไปสว่างขึ้นไปมันจะทะลุไปหมดเลยจนต้นสุดแล้วแม้แต่ความสว่างสวยก็หาไม่เจอ ม, ม, มันทะลุไปหมดอาจารย์รู้สึกว่าปฏิบัติรมแล้วมันไม่ค่อยรู้เรื่องอ๋อไม่ต้องรู้เรื่องอะไรแล้วมิรู้คือว่าไม่เอาอะไรเลยยึดเอาแต่ละอย่างเลยไอ้ที่รู้เรื่องเรายึดมากไม่ต้องรู้เรื่องอะไรหรอก อย่างนี้ดีแล้วอย่างนี้ดีแล้วไม่ต้องรู้เรื่องอะไรไม่เอาอะไรสักอย่างเนี่ยนะรู้ดีและวดีที่ตัวไม่ไม่ยึดอะไรไม่เอาอะไรบอกว่าหมดเลยแม้แต่ลูกหลานหมูหมาแมวแล้ววางหมดไม่เอาแล้วอย่างเงเออดีรู้เรื่องรู้เรื่องแค่ว่าไม่ยึดอะไรอย่างงี้แค่พอแล้วไม่ต้องไปรู้เรื่องอะไรมากนะรู้เรื่องยรู้ตัวยึดตลอดเวลาว่าไม่ยึดอะไรไม่ยึดอะไรไม่ยึดอะไรแม้แต่ตัวเราก็ไม่ยึดตัวเราก็ไม่ยึดอะไรก็ไม่ยึดไม่เอาตัวเราไปยึดอะไรตัวเราก็ไม่ยึดตัวเราด้วยเออให้รู้แค่เนี้ยพอไม่ต้องรู้มากรู้มากยึดมา อมาสกการหลวงพ่อคะอ่ะอชื่ออะไรชื่อปิ่นค่ะเคยมาครั้งแรกนะคะคือไม่แน่ใจว่าปฏิบัติมาถูกหรือเปล่าอะค่ะเ okay? พราะว่ารู้สึกว่าลึกๆมันเซงเซงซึมซึมอะค่ะก็ไม่แน่ใจว่ามันเห็นไตรักหรือเปล่าอ่ะค่ะดีแล้วปฏิบัติก็ดีนะมันก็มันดีอะไรก่อเนี่ยดีดีหลายแล้วแต่ไม่ดีคือว่าพอมไม่ได้อย่างใจแล้วลงมาโหล่ ไม่แดงใจอ่ะมันไม่ได้ยินใจแล้วมันขับแคน้นหงุดหงิดเม้าหก็ไม่ได้อย่างใจปฏิบัติไม่รู้ไม่เห็นทําไม่อะไรกับหงุดหงิดขับแคน้แนเม้าหอย่างเงี้ยไอเนี้ยลงตีนเขาเลยอยู่ใต้คูกเขานั่นมันไม้ขึ้นเขาแต่ปฏิบัติมาเนี้ยดีเลยพราะตัวนี้เนี่ยวุ้ดเลยรับตอนนี้ขึ้นวุ้ดเลยแล้วเป็นเป็นปติดตัวนี้ซะจะอ่อยเป็นเอยเป็นให้เอาให้รู้ให้เห็นนั่เป็นพอมันปฏิบัติหรือว่าอะไรก็ตามผมไม่ได้ยิงใจแล้วอืออือออย่างเงี้ย มันอืดอืดอืดอแล้วมาหัแล้วงุนอิดอะไรเงี้ยมันไปอยู่ในใจมันทําให้ดําแล้วมันตกไปเลยเนี้ยแต่จริงๆแล้วไอ้ส่วนนี้หายไปอ่ะมันคืนตัวมาหมดเลยทุกอย่างกลับไปเป็นธรรมชาติของมันได้ง่ายเลยเป็นไงี้ไหมพี่โตเป็นค่ะก็พยายามรู้อยู่อ่ะค่ะว่าไม่พยายามดูรู้อยู่หลักเห็นมันก็ละหมดเลยไม่ต้องพยายามดูมันหรอกเออมันเกิดขึ้นแบบนี้เราก็ละไนหมดเลยอย่าไปคาดหวังเดี๋ยตอนเราคาดหวงังเราคาดหวงัเว ง, เว ง, เวงเราปรารถนา เราจะมีความคาดหวังและปรารถนาแล้ย่อมมีตัวนี้แ น, น่นอนเราไม่ใช่ไป kind of ไวางอาการนั้นนะอาการที่อึดอๆดไป่ดอย่างใจนะเห acter, ANG, void, ็นความคาดหวังความปรารถนาเราปฏิบัติแล้วเราคาดหวังอะไรอ่ะเราปฏิบัติแล้วเราคาดหวังอะไรเราปรารถนาอะไรไอ้สิงที่เราคาดหวังอนั่นแหลมันทําให้เราไม่ได้อย ule, Quantum, ounced, ไไ่างใจแล้วเราก็อึดอึๆอมโหุดหงิดตัวนั้นทําให้เราตกเขาไม่ใช่เราไปเห็นอาการที่เราอึดๆึดมหุดหงิดลำคาานัเราจะไปรู้ตัวทานรู้ตัวทานตัวนั้นแหะ แตนะ่เราเนะี่ยไม่ได้ดับเหตุมันะเหตุมันจริงคือเรายังปรารถนานะ่ยยังมีความปรารถนายังมีความหวังว่าเราปฏิบัติเนี่ย <S <S <ฮ>อย่างเชื่อว่าบางคนเนี่ยปรารถนาที่แค่จิตดีบางคนปรารถนาที่แค่จิตนิ่งจิตเฉยมันเลยไปติดอยู่ตรงนี้แล้วก็ไม่แต่อย่างใจทําไมไม่นิ่งสักทีทำไมไม่นิ่งสักทีทำไมไม่เฉยสัทีทําไมไม่สงบสับบทีแล้วมดุดกี่อยู่นั่นเนี่ยอันนี้แล้วเราก็ไปไป ไ, ป ไ, ปไปล่รู้ตัวอื่นไปไล่ทำทันตัวอื่นพยายามไปพุทโธขึ้นพยายามทาอะไรให้มันมากขึ้นเพื่อจะให้มันนิ่งมันเฉยอันนี้ผิดเอนนะะักกข้าไปี จริงๆมันต้องดับความปรารถนาดับความอยากให้มันจิตมันยิ่งมันเฉยแค่นั้นเนี่ยพอดับตัวนี้ปุ๊บทุกอย่างเปล่าเปล่าเลยพุ่งปลุกขึ้นฟ้าเลยตหว่างตวายโลกธาตุเลยมันดับเหตุผิดตัวเข้าใจปะก็พอเข้าใจแต่ก็ไม่รู้ว่าจะแสดงว่าพอเข้าใจยังไม่เข้าใจแท้เดี๋ยวต้องให้เข้าใจจริงๆเอ้าว่าไงไม่เข้าใจตรงไหนไม่เข้าใจว่ามันจะดับยังไงอะค่ะไม่รู้อะค่ะ ก็อ่านใจตัวเองให้ขาดว่ายังยั ง, ยงอไไแอ kind of บมีความปรารถ น, น, น, นอาอะไรอ่านใจตัวเองให้ขาดว่ายังยังแอบมีความหวังอะไรในการปฏิบัติก็คือเขาปฏิบัติให้สิ้นหวังสิ้นปรารถนาสิ้นได้สิ้นเป็นสิ้นที่จะเอาอะไรแต่เรายังแอบที่จะเป็นปรารถนาอะไรจะไปเอาอะไรอ่านใจตัวเองให้ขาดเน่ยพออ่านใจตัวเองให้ขาดว่าโอ้ยังแอบวราจะเอาจะเอาอะไรเราอย่างขามหมายจะอะไรจะจะเอาจิต ด, ดีจิตไม่ดีไม่เอาเอาอย่างนี้วางเลย ความความปรารถนาไม่ไปเพราะการปฏิบัติเพื่อสิ้นความหวังสิ้นความปรารถนาแต่เรายังมีความหวังความปรารถนาันยังทุกอยู่สิจันทระกับกับพ่อแมอาา่ครูบาอาจารย์ครับคือคือเอกส่งกันบ <laughs> ้านเลยแล้วกันก็คือคือคือผมก็ภาวนามาเรื่อยๆนะคะรับหลวงตาแต่ว่าเท่าเท่าที่ผมดูนี่ คือเราก็พยายามในทีวีสามวันก็คือพยายามดูรู้เหมือนกับดูจิตเห็นจิตว่าจิตมันเป็นยังไงมันทำอะไรแต่ว่าสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันยังยังมีติดอยู่ก็คือว่ายังมีความรู้สึกว่าข้างหลังของจิตเนี่ยมันยังมีมีความเป็นเราอยู่ในตัวนั้นนะครับแล้วก็บางทีเราพยายามจะมองเพื่อที่จะอย่างที่หลวงตาพยายามสอนหลายครั้งนะครับว่าเออเรามันไม่มีตัวเราเหรอกจริงๆอ่ะมันมีแต่สภาวะมันมีแต่ ขานที่ทางานแต่ว่าคือบางทีมันมันไม่ค่อยชัดเจนว่าเออเราความไม่ใช่เราเนี่ยมันมันเหมือนชัดเจนในความเข้าใจแต่มันไม่ลึกลงไปเลยถึงข้างในอ้ไรกันไปทีจิมเ็นดิตหลนค้นหาว่าเพื่อจะไปถึงความไม่มีเราที่มันดิ้นรลนค้นหาไปให้ถึงให้มันเลยกัความมีเราไปไปถูงความไม่มีเราเราก็เห็นมาในตัวเนี้ยมันเป็นสองขาดปงแต่ง ไอ้ตัวที่มันดิ้นรนนะที่เอาตัวเราไปดิ้นรนค้นหาเพื่อใจเลยความไม่มีตัวเราไปอีกอ่ะให้ไปสู่ความไม่มีตัวเราเราจะไปเห็นความไม่มีตัวเราแต่เห็นเนี่ยจิตที่มันมีความดิ้นรนค้นหาว่าเราจะเลยไปให้ถึงความไม่มีตัวเราให้พ้นให้หลุดพ้นจากสังขารปรุงแต่งทั้งมวลเข้าไปสู่ความไม่มีตัวเราแต่เราจะไปมุ่งเห็นความไม่มีตัวเรา ให้สังเกตเห็นความคิดปรุงแต่งที่เอาตัวเราไปปรุงแต่งที่หลนค้นหาความไม่มีตัวเราเห็นสังขารตัวเนี้ที่มันเกิดขึ้นในใจอยู่ตลอดเวลาแต่ปล่อยมันเป็นสังขารไม่เป็นสังขารปรุงแต่งมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไมีแล้วก็หายไปเราเห็นเห็นเป็นสังขารเมื่อเราปล่อยวางสังขารหมดแล้วเนี่ยความไม่มีตัวเราก็จะปรากฏเอง เราอยาเอาเอาตัวเราไปดิ้นรนค้นหาความไม่มีตัวเราพ อ, อใจไ่มนี่ก็หมายคําว่าทุกอย่างที่ที่มันเกิดขึ้นที่รับรู้ขึ้นเนี้ยแค่รู้ว่ามันมันเกิดขึ้นมันรับรู้ขึ้นไม่ต้องไปมองหาว่าแล้วไอ้สภาวะความไม่มีตัวเรามันคืออะไรอะไรคืออะไรอย่างนั้นเราก็จะหลงใหญ่เลยเพราะว่าเราเอาตัวเราไปดิ้นรนค้นหาไงแล้วเราก็ไม่เห็นตัวเราที่ดิ้นรนค้นหา เราเอาตัวเราไปดิ้นหลนค้นหาความไม่มีตัวเราแต่ไม่เห็นความดิ้นหลนค้นหาที่เอาตัวเราเนี่ยไปดิ้นหลนค้นหาความไม่มีตัวเราให้เห็นไอ้สเกตเห็นมันมีความดิ้นหนค้นหาเป็นสังขารปรุงแต่งเราก็เห็นว่ามันเป็นสังขารปรุงแต่งทุกขณะปัจจุบันมันดิ้นหลนค้นหาอะไรขึ้นมาก็เป็นแต่สังขารปรุงแต่งที่ดิ้นดิ้นหล่นขึ้นมามน เขามันมันอย่างนั้นมันก็ทุกขณะเลยที่คำหลงตาก็คือทุกทุกขณะปัจจุบันเลยเพราะว่าพอมันจะพอมันปึ๊บขึ้นมามันก็จะมันก็ทุกุกข์ทุกข์ทุกข์ทุกแล้วก็ปึ๊บขึ้นมาเนี่ยถูกต้องแล้วกระทบอยู่กัปัจจุบันแค่นั้นเนี่ยทุกขณะปัจจุบันเน่ยก็มีแต่สังขารสังขารที่เกิดขึ้นสังขารที่เกิดขึ้นสังขารที่เกิดขึ้นก็เห็นมีแต่สังขารที่เกิดขึ้นสังขารที่เกิดขึ้นสังขารที่เกิดขึ้นแต่บางทีมันจะคือสังาร โอ้โแล้วเมื่อไหร่เน้่ยจะไปพอถึงก็เมื่อไหร่ก็มีตัวตนที่จะไปถึงแล้วมันก็เป็นอัตตาแล้วมันก็เป็นอวิชชาแล้วเอถึงพอถึงเมื่อไหร่มันก็เป็นอวิชชาแล้วเมื่อไหร่เราจะไปถึงตรงนั้นสักทีแล้วไม่มีเรามีแต่ปัจจุบันที่มีสังขารเกิดขึ้นและสังขารที่ดับไปในความไม่มีอะไรมีแต่สังขารที่เกิดขึ้นและสังขารก็ดับไปในความไม่มีอะไรมีแต่ปัจจุบันอย่างเงี้ย แต่เราไปหมายว่าจะมีตัวเราไปในนักก็ข้างหน้าแล้ว I I ตัวเราจะไปถึงไปได้ไปเป็นไปรู้นิพานตัวเราจะไปถึงความสิ้นความมีตัวเราอย่างนี้ไม่ beauty, มีทางจะจะเป็นไปได้เพราะว่ามันมีตัวเราอยู่ต้นทุกในปัจจุบันมันมีแต่ปัจจุบันที่เห็นแต่สังขารที่เกิดขึ้นในความไม่มีอะไรแล้วก็ดับไปในความไม่มีอะไรสังขารเกิดขึ้นในความไม่มีอะไรแล้วดับไปในความไม่มีอะไรแล้วพวกเราเห็นเป็นสังขารทั้งหมดแล้ว แม้แต่สิ่งที่มันปรุงว่าเป็นตัวเรามันก็เป็นสังขารมาปรุงมันก็เป็นสังขารมาปรุงแล้วเมื่อเราเห็นว่าไอ้ที่มันปรุงว่าเป็นตัวเราตัวเราตัวเราตัวเราจะรีดลนค้นหาไปให้สู่ความไม่มีตัวเราและที่มันปรุงว่าเดี๋ยวแล้วเราจะทำอยางนี้แล้วจะมีตัวเราไปไปถึงไปได้ไปเป็นไปรู้แจ้งอะไรในอนาคตมันก็เป็นสังขารเอาสังขารมาปรุงเมื่อเราเห็นว่ามันเป็นสังขารทั้งหมด มันก็ไม่มีอะไรที่ไปแล้วแต่เนี่ยมันก็มีแต่ปัจจุบันที่มีแต่สังขารที่เกิดขึ้นในความไม่มีอะไรแล้วก็ดับไปในความไม่มีอะไรมีแต่ปัจจุบันที่ไม่มีตัวเราที่ไปเป็นสังขารด้วยมีแต่สังขารที่เกิดขึ้นเวลาที่สังขารมันมันหายไปก็คือพอเราเห็นว่าสังขารมันก็คือสังขารพอสังขารมันหายไปมันคล้ายๆกับเป็นสภาวะที่เหมือนว่างๆแต่แต่ในความว่างนั้นมัน มันเป็นว่างที่ยังมีตัวเราอยู่ไหมครับหลวงตามีทีมันก็ยังมีอยู่แต่มันไม่ได้พูดใช่ไหมครับมีตัวเราที่เข้าไปดูความว่างที่เข้าไปพัฒนาความว่างนั้นน่ะก็คือทุกขณะจิตเป็นเป็นเราเสวยอยู่ตลอดใช่ใชถูกต้องเอออันนี้ตรงเนี้ยคำพูดทีดีมากนะถ้าเราเห็นตรงเนี้ยทุกขณะจิตมีความหลงมีตัวเราไปเสวยหมดเน่ยจะถึงความว่างนั้นก็เห็นว่ามีมีตัวเราไปเสวยความว่างนั้นน่ะที่ท่านพูดอย่างเี้ยดีมากเลยว่าเอ้ยมันมีแต่ความว่างแล้วเปล่าในขณะที่สังขารทั้งหมดับไปกลแต่่คววามาง ในความว่างนั้นมีตัวเราเปล่าก็มีไมีตัวเราเสวยมีตัวเราที่ไปเสพอาการของความว้างเพื่พอใจความว่างนั้นเราก็เห็นแล้วจะดับจะแก้ที่เราไปติดความว่างนี้ได้ยังไงก็เห็นตัวเราเนี่ยที่ก็ไปมีตัวเราที่ปรุงแต่งในความว่างมีตัวเราที่ปรุงแต่งในความว่างว่าเออเราคงพอใจความว่างนี้สภาพว่าความว่างนี้อยากให้มันว่างอย่างนี้ตลอดไปแล้วก็เห็นตัวเราเนี่ยไปไปยึดถือความว่างนั้น เราเมื่อเห็นตัวเราเป็นสังขารปรุงแต่งปุ๊บมันก็ไม่มีใครไปยึดถือไอ้สิ่งที่มันปรุงแต่งว่าเป็นตัวเราว่าเป็นตัวเรามันก็ไม่มีมีแต่สังขารปรุงแต่งเพราะว่ามันปุมันจะปรุงแต่งเป็นตัวเรามัเอาสังขารมาปรุงแต่งมันเอ า, า, า, เอาคิดปรุงแต่งได้ถึงเอาสังขารมาถึงปรุงแต่งได้งั้นมันก็อยู่เป็นพื้นเลยสิครับความเป็นตัวเราคล้ายๆกับเป็นพื้นของความรู้สึกของปุตรชนใช่ไหมครับคุณาใช่ใช่ใช่แต่เมื่อเราเห็นว่า มันปรุงแต่งเป็นพื้นเลยเป็นตัวเรามันเป็นปรุงแต่งทั้งหมดมันก็ไม่ใช่ตัวเราถ้าเราเห็นมันเป็นปรุงแต่งทั้งหมดแล้วพอเราไปเห็นในตัวที่เห็นมันก็จะเป็นตัวเราอีกครับลงดาคือมันซ้อนอย่างนี้เรื่อยๆอ็ถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วแล้วก็เห็นไปเรื่อยๆอย่างนี้ใช่ใช่มันก็จะมีสุดท้ายเนี่ยไอ้ตัวที่เห็นผู้รู้ผู้เห็นผู้ผู้เข้าใจว่าเออเอเข้าใจเข้าใจเข้าใจอันนี้ก็เป็นสังขารหมด ก็ไมอย่างนี้ไปถึงไหนครับหลงตาอย่างนี้มันก็คือเราก็แค่ถึงไหนเราก็มีแต่ปัจจุบันที่ก็คือเราก็แค่เราแค่ไม่จำเป็นต้องไปไล่ที่ใช่ไครับหลงตายเราแค่ปัจจุบันไม่ต้องไปไล่จี้ไล่จี่เพื่ออะไรคือย้อนเข้าไปดูตัวไหนไปถึงเพราะว่าไล่ที่ไปมันก็เพื่อการปรุงแต่งก็นึกว่าเขาไปจี้แล้วจะไม่มีตรงตัวสุดท้ายมันจะไม่เจอก็ไม่ใช่ ก็ว่าสุดท้ายมีตัวเราหมายเป็ว่าสมดท้ายเราจะเป็นจะเป็นเป็นตัวเราที่วางเปล่าไม่มีปุงแต่งไม่ใช่นะครับก็หมายความว่าจริงทุกสภาวะที่มันรองรับอยู่มันก็มีการปรุงแต่งมีการปุงแต่งแต่มันปุงแต่งในความไม่ปุงแต่งครับแล้วมันก็ดับหายไปในความไม่ปรุงแต่งมีปัจจุบันมีแต่แค่เนี้ยเราไม่ต้องไปน้องถึงความไม่ปุงแต่งใช่ไหมครับเราแค่รับรู้ถึงความปรุงแต่งเราได้แต่เราได้แต่ว่าเชื่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์คือพระพุทธเจ้า ว่ามันมีอย่างนี้แต่เราจะไปน้อมอย่างนั้นตัน้อมอย่างนั้นหลงเลยครับก็คือเราเชื่อว่าเราไปสร้างเอาไว้ว่าเออเราไปสร้างเอาไว้เลยยังการไปสร้างความไปแต่งเป็วามบางเลยเราเชื่อพุทธเจ้าครับพุทธเจ้าแต่ไปอย่างนี้ยเราก็เชื่อพุทธเจ้าเราเชื่อพุทธเจ้าเอในความปรุงแต่งมีความไม่ปรุงแต่งแค่นี้แหน่แต่ตัวเราไม่มีเราเชื่อพุทธเจ้างนั้นเราก็เห็นไปอย่างเนี้ยมันมี็แต่ความปรุงแต่งปรุงแต่งแม้แต่มันปรุงแต่ง่าเป็นตัวเรามันก็เป็นแต่ความปรุงแต่งปรุงแต่งปรุงแต่ง แต่ความไม่มีอะไรมันปรุงแต่งไม่ได้ไงมันก็ไม่ต้องไปสนใจตรงนั้นก็คือเราเชื่อพระเจ้าก็คือผมผมเข้าใจตรงคอนเซ็ปต์ตรงนี้ได้ครับคุณสาก็คือพระเจ้าจะไม่ใช่ว่าเราน้อมใจเราไปถึงความไม่ปรุงแต่งเลยอันนี้เป็นการสร้างภาพสร้างสร้างสร้างหลงสร้างไว้ในใจตัวเองครับอันนี้ค่อนข้างเคลียร์นะครับกับอาจารย์ก็มันมันเห็นเป็นปรุงแต่งหมดฮะมันเห็นทุกอย่างเป็นปรุงแต่งหมดมันก็เลยไม่เหลือความตัวเลยไม่รู้สึกว่ามันมีตัวเราเพราะว่าไอ้ความปรุงแต่งที่มีรู้สึกก็มีตัวเราก็เป็นความปรุงแต่ง เมืม่อวานที่ที่ท่านให้ให้ดูอะคะ่ะตอนนี้ชื่อชื่อชื่อชื่อหลี ค, หค่ะค่ะไม่ทราบว่าที่ที่ดูปัจจุบันนี้ยังมีแท็กแซงหรือว่าไปทําอะไรไหมคะก็ดีขึ้นเยอะสงบขึ้นเยอะจากเมื่อคือจากเมื่อวานเนี้ยหนูก็สงบขึ้นเยอะค่ะใจก็เริ่มมีความสงบลมเย็นขึ้นเยอะแ ล, ะะแล้วและมีความสงสัยอะไรอีกน<ป>ะก็ ค, คือคือรู้อย่างนี้เป็นสองอย่างไปไปพร้อมๆกันใช่ไหยคะเออก็ปล่อยไปอีกปล่อยที่รู้นั้นปล่อยทั้งสิงที่ถูกรู้แล้วปล่อยทั้งผู้รู้ไปด้วย ปล่อยวางไปอีกค่ะอย่าไปคาผู้รู้ไว้ปล่อยวางปล่อยวางคือคือไม่ใช่ว่าปล่อยวางแล้วไม่รู้นะคือมันก็รู้อยู่อย่างนั้นแต่จะไม่มีใครไปยึดสิ่งทีรู้แล้วไม่ไปยึดเอาว่าตัวเราเป็นคนรู้หรือผู้รู้เป็นตัวเราก <h> ็ได้แต่สักแต่ว่ารู้แต่มันไม่มีใครไปรู้สึกว่าไอ้ผู้รู้เนี่ยเป็นตัวเราตัวเราเป็นคนรู้มันจะว่าปล่อยวางผู้รู้แล้วก็คือไม่รู้อะไรเลยไม่ใช่คือรู้ อ, อย่างนั้นแหละแต่ไม่มีใครไปยึดสิ่งที้ถูกรู้แล้วไม่ไปยึดผู้รู้ว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเรา ได้แต่รู้มันเป็นวิญญาณขันที่ไปรู้มันเป็นขันห้าไปรู้แล้วก squishy, ็ต้องรู้ทั้งต้องรู้สึกอย่างไรล่ะถูกใจไม่ถูกใจหรือเป็นกลางๆแล้วก็รู้แล้วก็มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์อะไรอย่างไรจําได้ว่าเป็นยังไงเป็นอะไรเป็นอะไรแต่ไม่มีใครเข้าไปยึดได้แต่รู้ได้แต่รู้ได้แต่รู้คําว่าอไม่มีใครไปยึดทั้งสิ่งที่ถูกรู้แล้วผู้รู้เนี่ยเรียกเขาเรียกว่าสัพตวรรู้ค่ะ นี้บางทีความคิดมันเหมือนมันจะจะขึ้นขึ้นมาแล้วเรามันก็รู้ว่ามันจะขึ้นแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ออกมาตรงนั้นเนียค่ะนั่นคือถือว่าเป็นการสะกดเอาไว้ะหรอคะมันก็เกิดขึ้นมาของมันและไม่คยยุ่งกับมันอ่ะมันก็คือไปของมันเองใช่ไหมมันก็ไปของมันเองมันก็เกิดขึ้นเองก็ดับไปเองเกิดขึ้นเองแล้วก็ดับไปเองค่ะแต่ความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบนี่คือมันมีผลทําให้รู้สึกว่ามันยังมีความมันก็ว่าทึบๆนั่นๆอย่างนี้อยู่ใช่ไหมครัที่เป็นอยู่ตรงนี้ค่ะ คือมันตรงนี้มันข้ามขั้นกับข้ามไปได้เลยทุกคนนจะข้ามได้ไหมคือมันมีแต่สิ่งที่มีสิ่งที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันเน่ยแต่มันเลยไปนี่แล้วไม่มีใครไปเป็นอะไรไปได้อะไรอีกในอนาคตถือมันวางก็คือวางปัจจุบันก็ในวางในปัจจุบันเนี่ยมันก็ไม่มีมันก็มีแต่ในปัจจุบันมันมีอะไรก็คือเป็นอย่างนั้นเนี่ยคือมันมีความรู้สึกอย่างไรก็ตรงไปตรงมาเป็นอย่างนั้นแหละแล้วมันก็ก็เห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นเนี่ย แต่ไม่มีใครไปยุ่งวุ่นวายกับสิ่งที่มันมีอะไรเกิดขึ้นในจิต ใ, ใ, ใจของเราก็เห็นมันอย่างตรงไปตรงมาอย่างนั้นแหละดูมันตรงไปตรงมาไงแต่ไม่มีใครไปดูไปรู้ห criteria. รอกก็มันเป็นธรรมชาติของรู้ความรู้ตามธรรมชาติว่ามีอะไรเกิดขึ้นในจิตใจของเราแต่จะเป็นอย่างไรก็ตามทุกวันปัจจุบันก็ไอสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราก็คงเป็นอย่างไรก็คงเป็นอย่างนั้นแหละแต่ไม่มีใครไปเสำรวจไม่มีใครไปรองรับไม่มีใครไปยึดแล้วไม่มีใครคิดว่า ไปรู้ไปเห็นแล้วอันในนาคตเราจะเป็นยังไงอ่ะถ้ารู้อย่างนี้แล้วต่อไปเราจะเป็นยังไงแต่เดี๋ยวจะวถ้ารู้อะไรนี้แล้วเออถ้ารู้อย่างนี้ใช่ใช่เราเดี๋ยวเราจะรู้นิพพานหรือว่ารู้นี้แล้วโอเดี๋ยวแล้วอย่างนี้แล้วมันจะไปถึงสุดแล้วเราจะไปจบยงังไงวันไม่มีแล้วความรู้สึกอย่างมี้จากใจมันหายไปหมดแล้วไม่มีหรอกตัวเราไม่มีตัวตนของเราไม่มีมันไม่มีหรอกมันมีแต่ปัจจุบันเนี่ยปัจจ <c oughs> <ป>ุบันที่ว่านันจบลงในปัจจุบัน คือมันมีแต่สิ่งที่มีปรากฏขึ้นในใจแต่ไม่มีใครไม่มีใครก็ไปรองรับไม่มีใครเขาไปเสวยไม่มีใครเขไปยึดทุกข์ิริยาอาการที่อยู่ในใจแล้วมันไม่มีอีกอนาคตข้างหน้าว่าจะมีเราไปเป็นอะไรมันเปแต่ปัจจุบันเนี่ยที่ไม่มีใครเขาไปยึดเมื่อมันมันสิ้นยึดในปัจจุบันใจมันก็เย็นสงบลมเย็นเหมือนน้ำอมฤตเฉลมใจไม่มีใครยุ่งไม่มีใครเดือดร้อนไม่มีใครวุ่นวายมันเป็นอย่างนี้ในปัจจุบันอนาคตก็ต้องเป็นอย่างนี้มันลืนนี้ก็ต้องเป็นอย่างนี้ ในชาตินู่นชาตินี้ชาตินี้อะไรก็เป็นมันก็เป็นอนาตตาการเลยเป็นอมตะอย่างเงี้ยตลอดไปแต่สิ่งที่ปรุงแต่งอะไรทั้งหลายที่เป็นขันธ์ห้ามันก็ดับไปเมื่อทิ้งลมหายใจคือร่างกายไปธนาสัญญาทั้งสามมิติาัก็ดับไปแต่ใจที่มันไม่ยึดอะไรเนี่ยมันเป็นความสงบระหว่างเปล่าที่มันล่มเย็นเหมือนน้าอมฤตในจิตใจมันไม่คิดว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะได้อะไรเราจะเป็นอะไรเราเห็นอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวในอย่างเี้ ถ้าหนูปฏิบัติได้อย่างนี้แล้ววันพรุ่งนี้วันวันือนี้หนูจะชัดอย่างนี้ใช่ไหมอะไรยไม่มีหนูไม่มีไม่มีเราไม่มีอะไรแล้วมันมีแต่ปัจจุบันเนี่ยที่มันมีแต่มีอะไรตกทุกข์กิาการในใจของเราแตไม่มีใครเข้าไปยึดมั่นถือมั่นไม่มีใครเข้าไปรองรับไม่มีใครเข้าไปเสวยรู้มันอยู่เห็นมันอยู่อย่างเนี้ยเมื่อสิ้นผู้เสวยสิ้นผู้รองรับในปัจจุบันใจมันก็เย็นเย็นเป็นน้ํำอมฤตเย็นฉโลมใจมันไม่วุ่นวายไม่อะไรเลยต่อให้ใจมันมีความคิด พงแตกอะไรก็ตามแต่ใจไม่วุ่นวายใจเป็นความสงบด่มเย็นเหมือนน้ำอมาริดพอมันเป็นอย่างนี้แล้วพุ่งยิ้มก็เป็นอย่างนี้มารืนนี้ก็เป็นอย่างนี้ตายแล้วมันก็เป็นอย่างนี้เป็นอมตะตลอดการแต่ร่างกายเป็นาสัญญาตั้งฐานวิญญาณขันห้าดับหมดแต่ใจที่มันเป็นความสุขเป็นเหมือนน้ำอมาริดตลอดการมันไม่มีผู้เสบยให้เป็นความสุขแต่มันเป็นความสุขเพราะว่าไม่มีผู้เสบยมันจะเป็นอย่างนี้เป็นอมตะตลอดการ วันนี้มีหรอพรุ่งนี้จะเป็นอะไรแล้วเดี๋ยวมันเลยจะเป็นอะไรถ้าหนูชัดอย่างนี้ละหนูเดี๋ยวจะได้อย่างที่หมออดว่าเนี่ยที่ว่าหมออดว่าเนี่ยเแล้วถ้าผมเห็นอย่างนี้ไปแล้วที่สุดแผมจะไปจบลงตรงที่ไม่ปุงแต่งอะไรไม่มีแบบนั้นหรอกมีแต่ในปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันไม่มีผู้ไปยึดอะไรเป็นยังไงก็ไม่มีใครยึดอะไรแต่อย่างนี้เราก็ไม่ต้องหาเหตุผลอะไรมันก็จะถามกันหาเหตุผลว่าอย่างนี้เช่นไหมอย่างนู้ใช่นไหมอย่างนี้เช่นไหมอย่างนู้ใช่นไหมเราก็ตอบอย่างเนี้เราก็จะตอบไปก็ตอบอยังไงก็ตตอออบเเข้ากลัวงคื ไม่ว่าจะตอบอยังไงถ้าหนูทําได้อย่างนี้แล้วหนูจะไปเป็นอย่างนั้นใช่ไหมถ้าทาได้อย่างนู้นอย่างนี้แล้วหนูจะไปลุูปนิพพานใช่ไหมทำได้อย่างนี้หนูจะพ้นท <Yes. S 1> ุกข์ใช oh, ่ไหมเพราะมันไปมันไปเป็นมีหนูมีเรามีผมไปจะไปจะไปจะไปอย่างเงี้ยจะเป็นอย่างนี้ไม่เป็นหรอกไม่เป็นหรอกมันต้องเป็นในปัจจุบันนี่แหละแต่ในปัจจุบันไม่ยึดพวกนี้ก็ไม่ยึดมารืนนี้ก็ไม่ยึดชาติชาติต่อไปกี่ชาติก็ไม่ยึดนี่ก็ไม่ยึดก็พ้นทุกข์ไปตลอดนะครับเป็นนิพพานนำประวังสูยง นิพพานคือความว่างเปล่าจากความยึดมั่นถือมั่นว่างเปล่าอย่างยิ่งใจว่างเปล่าเป็นมหาสูญยตานิพพานังปรามังสุขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเป็นอมตะตลอดกาลไม่เกิดไม่ดับไม่แตกไม่ทํำลายไม่มีใครทํำลายได้เป็นอมตะอไม่มีหรอกอนาคตอะไรจะไปเป็นมรรลุอะไรไม่เป็นเป็นปัจจุบันนี้เลยเดี๋ยวนี้ไม่มีหรอกไม่มีตัวเราไปเป็นมีแต่ทุกข์เกลียอาการแต่ใจไม่ยึด มีใจกิาการในใจและปัจจแค่นั้นแหละที่ไม่ยึดมีเดียวสองอย่างแค่นั้นแหะย่างอื่ไม่มีในใจอ่ะมีแต่ขันหน้าที่ยังเกิดเกิดดับเนี่ยอยู่ในใจเพยังไม่ตายแล้วก็มีใจที่ไ ม, ม่ยึดอะไรที่มันร่มเย็นเป็นสุขมันมันเย็นอิ่มลึกเย็นเข้าไปเหมือนน้ํำอมฤตในใจมันว่างเปล่าเหมือนดั่งจักรวาลมันบอกไม่ถูกเราว่านั่นแหละเป็นยังไงมันเป็นอย่างนี้นหละเราเราเอาอืม แต่เนี่ยเราจะเป็นอย่างนั้นได้ไม่ใช่ว่าเราไปสร้างตรงนั้นแล้วให้มันเป็นขึ้นมาเลยไม่ใช่ไม่ใชไปสร้างความรู้สึกเป็นงั้นแต่เราเห็นว่าในปัจจุบันเนี่ยมันมีสังขารที่เกิดขึ้นในใจเราตลอดเวลาปรุงแต่งตลอดเวลาแต่ใ จ, จไม่เข้าไปยึดสังขารใดเลยไม่แต่สังขารเดียวแล้วไม่มีอนาคตว่าเรามีการปรุงแต่งมีการพยายามปฏิบัติมีการที่จะพยายามรู้เห็นให้ได้ให้เป็นอะไ ร, รไม่มีแล้วมันไม่มีมีแต่ปัจจุบันสังขารก็คือให้ต่อเนื่องไปไเรื่อยๆใช่ไหมคะือต้องต่อเนื่อง ปล่อยวางคือวางวางใจเราที่ที่วางที่จะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเรารู้เห็นอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราจะเป็นอะไรวางลงอย่าไปคาดหวังวางความคาดหวังว่าเดี๋ยวเรารู้เห็นอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราจะได้เราจะเป็นอะไรวางความคาดหวังไปว่าหนูยังมีแอบแอบมีความคาดหวังอยู่ในใจลึก เดี๋ยวเดีไปปฏิบัติลองปฏิบัติก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะได้เราจะได้ถึงเราจะได้เป็นเราจะได้รู้เราจะเห็นเราจะได้ยังไม่ยังมีเรามีเรามีเราอยู่ในใจตรงนี้ไม่ใช่อย่างนี้จะโอกาสไม่มีที่จะที่จะเป็นปัจจุบันเพราะมันมีเราในอนาคตข้างหน้าเราไปรอไว้ในอนาคตข้างหน้าอย่างนี้เราก็จะไล่ไล่จับคว้าเงาเราก็จะวิ่งตามหลังมันตลอดไม่มีทางโอกาสทันกันเพราะมันไปดับไว้ข้างหน้าตลอดมีเราไปข้างหน้ามันต้องจบเราในปัจจุบันนี้ ก่าเจ้าค่ะวันิดาค่ะตอ่อจากเมื่อวานนิดนึงที่สง่งยังยังขอความเมตตาหลวงตาแ น, น, นะนำว่าการที่เราจะวางวางให้กิดความทํานานบ่อยๆเนี่ยของโยมเนี่ยต้องต้องฝึกแบบไหนให้มันวางได้เร็วขึ้นนะเจ้าค่ะคือฝกใหเร็วที่ตุดก็คือเนี่ยไม่เอาอะไรเลยตัวเราไม่เอาอะไรทุกอย่างเดียวไม่คิดจะเอาอะไรไม่คิดจะได้อะไรไม่คิดจะเป็นอะไรเลย อ, เอันนี้คือวางเร็วที่สุดแล้วอันนี้ถ้าจะคิดว่าวางเพื่อจะไปเอาอะไรไม่วาง พอรู้ปั๊บก็วางไปเลยเออไม่เอาอะไรสักอย่างเดียวประลุไม่เอาอะไรสักอย่างเดียวไม่เอาอะไรสักอย่างเดียวไม่คิดจะได้อะไรไม่คิดจะเป็นอะไรไม่เอาอะไรสักอย่างเดียวอันนั้นเน่ยคือได้ไอ้คนที่จะเอาเนี่ยไม่ได้คนที่จะคิดจะวางแต่เพื่อให้วางแล้วเพื่อให้ได้ไม่ได้อะไรเลยอันนี้มันยึดมันยึดเพราะเนี่ยวางก็คือวางความที่อยากได้อยากถึงอยากเป็นอยากรู้อยากเห็นอยากได้อยากเข้าใจอยากคิดจะบลุวางความอยาก ที่อยากที่ตัวเราจะไปได้อะไรเนี่ยวางอันนี้หมดแน่แน่มันจะได้คนไม่เอาอะไรนะทีจะได้คนเอาไม่ได้มีพระอเยทสององค์หนึ่งเป็นพระอาหารหันต์ท่านเดินดกุฎองเข้าไปแล้วเดินไปในถ้ำแห่งหนึ่งอ่ะโอ้โหสมบัติพัสถานเอะเงินทองกองเต็มถ้ำหมดอ่ะกองภูเขาเรากาเลยถ้ากระถามพวกเจ้าที่เจ้าถามเทพเจวดาที่ปกปักรักษาว่าโอ้โหมันมันกองเต็มถ้ำแบบนี้เขาไม่เอาไปหมดเหรอเนี่ยโอ้ยมีใครเห็นหรอกมีแต่ท่านเท่านั้นที่เห็น อ่ะทำไมอ่ะเพราะพวกนั้นในกิเลสนะตัณหาจาดมันจ ะ, จะเอาจะเอาอย่างเดียวไม่ได้แล้ววิจารท่านเนี่ยที่ไม่เอาเพอาะท่านสิ้นกิเลสแล้วเพราะนั้นท่านเลยเห็นท่านอยากได้เท่าไหร่เอาไปเลยให้หมดเลยช่วยไปสร้างวัดให้หน่อยก็จะไปเกิดแล้วเห็น ไ, ไหมคนไม่เอาเลยได้ไอคนที่คิดจะไปหาสมบัติอยากจะเอาจะเอาไม่ได้อืหลายองค์หนี่ยนพูบุญดาถาว่าโลอลหรหันอายุร้อยกว่าปีเนี่ยถึงหบุรีเนี่ย บรรลุอาหารที่ถ้ำภูคาเสร็จอายุสาสิบเนี่ยบรรลุอาหารเลยที่ถ้ำภูคาบรรลุเสร็จพวกที่ก็เฝ้าสมบัติก็บอกว่าอยู่ใต้ถ้ำเนี่ยมีมีทองคําเป็นลําเรือเลยให้ช่วยเอาขึ้นมาสร้างวัดหน่อยเขาอยากจะไปเกิดแล้วทาไมเอาไม่เอาเขาอ้อนวอนโอ้ยไม่รู้กี่ครั้งตัวกี่ครั้งท่านไมยอมรับกิเกียรตเอาเป็นพรละกอสร้างเขาเลยร้องโหม่ร้องไห้พากันเนี่ยนะยังเปิดสียงเลื่อนดังครื่นแล้วก็หายไปเลยอื พอกขาเสียใจเนี่ยไอคนที่ไม่เอาอ่ะมิจฉาคนจะให้เลยได้ไอคนไม่เอาเน่ยมันได้บทสุดท้ายไม่เอาอะไรเลยนิพพานไม่ใช่เอานะแม้แต่นิพพานก็ไม่เอามันเลยนิพพานตรงนี้สําคัญ น, นะนี่เนี่ยคือความปลยวานเพราะอะไรตร่อพระเจ้าตรัสรู้คําสุดท้ายที่พระเจ้าพูดอะไรไหมเพราะความปรารถนาหรือความหวังก็จะได้อะไรจะเป็นอะไรเนี่ย คือความปรารถนาความสุขคือคปรารถนาพัิพาณหมดไปจึงบรรลุพันิพาณเป็นเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในคิริมานนทสูเนี่แล้วในหนังพุทธเจ้ามหาสัสตาโลกตอนที่สามสิสี่ไปดูดิแล้วก็ในคิริมานนทสูรนียต้องวางหมดนะสุดท้ายวางแม้แต่ความปรารถนาความหวงังว่าจะได้พันิพาณได้ความสุขที่ทุกข์ไม่มีเพรความปรารถนาหรือความหวังหมดไปเนะี่ย รู้ก็นี่ผ่านทันทีเลยถ้ายังคาความหวังาา ว, ว, ว่าปราราจะเอาจะเอาไม่ได้อะไรแล้วเพราะอะไรมันเป็นกิเลสเพราะนั้นเราต้องอ่านใจเราให้ขาดว่าวางเพื่อจะเอาหรือวางเพราะปล่อยวางจริงๆวางผู้จะเอาจะได้จะเป็นหรือว่าวางแล้วเดี๋ยวจะไปเอาไม่ใช่ปะถามๆอาจารย์อย่างนั้นถ้าวางอย่างที่อาจารย์พูดหมดจริงแล้วเดี๋ยวมันจะเลยได้เลยใช่ไหมตัวท้ากก็ <laughs> าตายตอนจบนะ ก็วางจริงไงที่อาจารย์ว่าเดี๋ยวมันจะได้เลยใช่ไหมเดี๋ยวจะกลับไปว่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวมจะได้อ <S <S ชื่อจีดาภาค่ะเออที่ปฏิบัติอยู่่ไม่ทราบว่าติดขัดตรงไหนไหมค่ะจะีดาภามันมีปัญหาอะไรไม่เจอว่านีในสิ่งที่ตัวเองไม่เห็นแล้วอ่านีนสิ่งที่ไม่มีมนันเดินเดินเดินหาไปเดินหามา แต่ก็ไม่รู้ว่าตัวเองหาอะไรแล้วไม่รู้สิ่งที่เราหาเนี่ยมันคืออะไรมันมันมีแต่ชื่อแต่เราหาอะไรเราก็ไม่รู้ว่าสิ่งนั้นมันคืออะไรที่เราไปแสวงหาพระนิพพานแต่เราก็ไม่รู้ว่านิพพานคืออะไรหลายคนปฏิบัติแสวงหานิพพานแต่ก็จริงไม่รู้พระนิพพานคืออะไรถามก็ไม่รู้นิพพานคืออะไรเอาเราจะหาอะไรเมื่อไม่รู้อะไรเราจะหาอะไรหานิพพานอรนิพพานคืออะไรไม่รู้เอาแล้วไม่รู้จะหาอะไระ เดินยื น, นยเดินน้องก็เดินอยู่แลเนี่ยแล้วจะหาอนิพานหาอนิพานแล้วอนิพานมันคืออะไรอ่ะก็ไม่รู้อ๋อไม่รู้จะไปหาอะไรหรือจะเป็นยังไงเป็นอะไรเข้าใจไหมมันจงดับผู้หาดับผู้หาดับผู้อยากให้มันได้ดับผู้อยากมันเป็นอยากดับความที่อยากให้ไปพบอะไรอยากดับผู้ที่จะไปให้เห็นอะไรให้เห็นว่ามันมีตัวผู้หาพอเราเห็นในตัวผู้หาเนี่ย แล้วเราก็จะไอตัวเนี้มันก็จะดับไอตัวผู้หาเนี่ยมันจะดับไอตัวผู้หาก็จะกลายเป็นสังขารไปกลายเป็นแ้งแตงไปแต่ตัวเราก็จะไม่เป็นผู้หาไอตัวผู้หาดับไปความเจียการที่หาดับไปตัวเราก็จะไม่หาแล้วเพราะว่าไอตัวผู้หามันดับมันถูกเราเห็นหมดแล้วเราก็จะพ้นจากผู้หาแต่ถ้าเราไปเป็นผู้หามันก็เป็นตันหาพุตเเจ้าตัดว่าตันหาเป็นสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นเป็นอุปาทานขันห้า แล้วก็อุปทานขันห้าเนี่ยไปยึดจริงต่างๆในโลกแล้วก็อุปทานเพราะตันหาดับไปอุปทานเลยดับเพราะอุปทานดับพบก็เลยดับพบพบดับชาติก็เลยดับเพราะชาติดับชรามรณะโสกะปริเทวาทุกขะโทมอุปายาสะกุกโศเศร้าเสียใจครับแค้นใจการเรียนว่ายตายเกิดก็ดับพร้อมเพราะตันหาดับนี่มีคุณถามว่าแล้วตันหาแปลว่าอะไรหมายถึงอะไรตันหาเนี่ยเราผวนคากลับเรียกว่าตันหาเนี่ย หลวงปูฟ้าดัจจารโอท่านบอกว่าหลวงพวนคำกลับที่ตัณหาหลวงพวนคำกลับว่าอะไรอ่ะตัณหาเนี่ยพวนกลับกลับคำอะกลับคาว่าไงตัณหาเออหาตันเห็นถ้าเราหาอยู่อย่างตันถ้าหาเมื่อไหร่ก็ตันถ้ายังหาอะไรก็ตันนั่นแหละคือตัณหาพวกพี่ทำหนังสือเนี่จะลองจะทำหนังสือกันเนี่ยหนังสือทดตามตุกเรามาแปลสับเราเราบอกว่าอย่าแปลตาม อย่าแปลตามบาลีแปลตามพุทธนันทโกมก็ได้ไหมถ้าแปลแล้วมันฟังไม่ค่อยรู้เรื่องมาก่อนเนี่ยเราอ่านตั้นหาแปลว่าอะไรหลายเล่มแล้วนะแปลให้ตายไม่รู้เรื่องเออพอฟังตรงเนี้ยไม่อะมันหาเราตันอะโดนถึงใจเลยเร า, าก็ยังหาอยู่กูงูกูงูกูงููกอยู่เนอะไรสิ้นหาก็าสิ้นทุกจ่ายไหมอ๋อว่าไงคนต่อไปเอาอ ด, าดาิค่ะกรดาษค่ะท่านนามัสการ์ค่ะคือ ที่ปฏิบัติอยู่เนี่ยรู้สึกมันฟุ้งซ่านเยอะเดินจงกรมอะไรเงี้ยก็ฟุ้งซ่านไม่ไม่สงบอะค่ะก็เลยไม่แน่ใจว่าเอ๊ะมันเป็นเพราะตัวเราไม่ปล่อยวางหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นเพราะอะไรเราไม่เห็นว่าเราจะเอาอะไรเราไปปฏิบัติอย่าเราจะเอาความสงบมันมีผู้เอามัเราอย่ามีผู้เอาที่เราก็เห็นไปมันฟุ้งซ่านเราก็เห็นมันไปฟุ้งซ่านมันจะเป็นยังไงเราก็เห็นมันไปอย่ามีผู้เอา นี่เราจะเอาความสงบจะเอาความสงบมันก็เลยมีกิเลสตลอดในการปฏิบัติมันมีผู้จะเอาเราไม่เห็นแล้วมันมีเราตัวเราพูดจะไปเอาเราก็รู้ต้องการมันมีผู้จะไปเอาแล้วก็วางลงวางผู้จะเอาลงแล้วเราก็ปฏิบัติไปมันก็ใจก็สบายมันจะไปยังไงก็จ้างมันเทอมจะเป็นยังไงก็ไม่มีผู้เอาทุงอย่างได้แต่รู้ได้แต่เห็นแต่ผู้เอาผู้เป็นไม่มีได้แต่มีแต่รู้แต่เห็นผู้เอาผู้เป็นไม่มีเข้าใจไหม แต่นี้เราปฏิบัติไปเดินจงกรมไปอะไรไปจะเอาความสงบมันไม่สงบก็หงุดหงิดจะเอาความสงบมันไม่สงบก็หงุดหีิอยู่เนี่ยมันมีพูดจะเอาจะเอาเราเราก็ยิ่งเค้นกันไปอีกยิ่งถล่มเอาพุทโธพุทโธพุทโธถล่มใจให้มันเนี่ยสงบอันนี้มันยิ่งหนักไปเลยยิ่งหนักไปเลยมันต้องไปเห็นสังเกตเห็นว่าเอ้ยการปฏิบัติมันมีพูดจะเอาจะเอาจะเอาพอเราเห็นมันแล้วเราก็วางพูดจะเอาไปมันก็สบายอย่าเป็นกระเจ้าเหมือนห้องหยอกไปแล้วก็ไปกูไม่เป็นแค่อย่างเดียวอ จิตมันจปรุงยังไงก็จ้างมาันแต่เราไม่ปรุงทักอย่างนะหรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านใช้คําตรงข้ามกับเราใช้คําว่ามีอยู่คนหนึ่งมันมันเคยสงบแล้วมันไม่สงบบางทีโอ้หโหงงหงิดโมโหมากเลยงงหงิดมโหอยู่นั่นแหะมันทําไมไม่สงบมันไม่ทําไมไม่สงบอยู่นั่นแหะเหมืนเราพูดอย่างนี้ยวันหนึ่งไปเจอหลวงพุทธาอาจารย์รุตโมพ่อแม่ครูอาจารย์เราเจอหน้าปุ๊บท่านพูดเลยสงบก็เอาไม่สงบก็เอาเอามาทั้งนั้นแหละแก่นั้น่ะหัวเราะออกเลย แต่ถ้าไม่ได้บอกว่า ไ, ไม่ให้เอาแต่ท่านใช้ค been, h, ําพูดว่าสงบก็เอาไม่สงบก็เอาเอามาทั <Tonight> ้งนั้นแหละนั่นคือปล่อยวางเลปล่อยพางหมดเลยแต่ว่าท่านพูดทําให้คนหัวเราะได้อ้ยทุกวันต้องเป็นเดือนๆแม่ลูกปู่พูดแค่นี้หายเลยพรามาสิ่งพูดจะเอาแต่ท่านใช้คํานามย่อกับหนามบ่งว่าท่านว่าเอาสงบก็เอาไม่สงบก็เอาแต่ถ้าไม่ได้บอกไม่เอาอมพูดไม่ให้เอาก็จะเอาอยู่นั่นแหละ เลยท่านเทนำยอกกันบอกเออเอาเลยไอี่มันไม่บก็เอาไอที่สงบก็เอาเอาไปทา้งกันแหละแกนั้นะหวเลาะออกเลยหัวเลาไม่ออกกาไปเดือนเดือนเอุบายอย่างนี้ก็ได้ไม่ใช่อุบายนะนี่เป็นความจริงจริงจัดใจรู้สึกอย่างนั้นจริงๆไม่ทุกข์เลยมัเป็นยังไงก็เอาไปทั้งกันเนี่ยยบอกไม่เอาอยาเอาอยเอาไม่เอาไม่เอาไม่ได้กทีทำไงที่ไม่เอาอาจารย์อยู่นั่นแหละอย่าไปเอาอางนั้นทำไมจึงไ่เอาเออถึงก็เอาไปหมดเลยอะไรเอาให้หมดเออตรงกันข้ามไปเลยอย่างเงี้ย เอออย่างงี้ก็ไม่ถูกก็ได้อย่างนี้ก็ ไ, กกไ ด, อได้อันนั้นนะขออนุ ญ, ญาตกลับเรียนค่ะว่าปฏิบัติแล้วมันติกสมายจะทํายังไงดีนะคะไม่ทํายังไงทั้งหมดมันติดสบายก็เอาไม่ติดสบายก็เอาเอามันหมดนั่นแหละอยวว่าไปอยากให้มันไม่ติดสบายจะเป็นไง เป็จะทุกข์กับอะไรเลยกันเนี้ ย, ยแค่นี้แหละเราจิดสบายก็เอาไม่ไม่จิตสบายก็เอาเอามาทางงั้ง น, นั้นแหละเอามาทั้งั้นแหละไม่สบายเลยไม่ทุกข์เลยมันเป็นไงก็ไม่ทุกข์สิริวัล น, นะคะอคือเมื่อก่อนเนี้ยจะเป็นคนที่รู้สึกว่ามันมันเงียบเงียบอะคะ่ะมันมันจิตมันเงียบเงียบะก็รู้สึกว่ามันไม่ปกติอะคะ่ะ อันนี้พอช่วงหลังๆเนี่ยมันมีอะไรให้ทําเยอะแล้วก็มีกระทบเยอะก็เลยรู้สึกว่าเราเราเราจะเห็นความคิดอด้จะเห็นว่าเราเร า, เราฟุ้งซ่านเราอะไรเยอะขึ้นก็รู้สึกว่าใจก็รู้สึกว่าเออเรามีอะไรทําแล้วก็อย่างอย่างสมมุติว่าเมื่อกี้หลวงตาเทศไปเนี่ยเราก็จะเห็นว่าจิตเราบนอยู่ตลอดเวลาเลยจิตจิตที่ที่ฟังหลวงตาพูดเนี่ยก็คือจะจ ะ, จะพูดอยู่ตลอดเวลาเลยอะค่ะ ที่รู้สึกว่ามันมันมีอะไรให้ทําเหมือนเมื่อก่อนไม่ไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วเมื่อก่อนมันนิ่งๆมากเลยอะค่ ะ, ะกะ็เลยไม่ทราบว่าทําถูกต้องมันก็ดีแล้วแต่เห็นจิตเป็นเคลื่อนที่จิตมันไวๆก็ถูกต้องแล้วแต่ยังไม่เห็นผู้จะเอานะจะมีผู้ผพยายามอยู่มีความพยายามจะไปเอาอะไร <c oughs> อืมคือ <c oughs> เราเห็นเน้น ๆ, ๆแต่จริงๆเรายังยังมีความพยายามที่จะไปเอามีตัวเราไปเอาอะไรไม่เห็นอใจตัวเองไม่ขาดใช่ไหมใช่ค่ะ ยังมีตัวตัวพยายามมันจะตรงกันข้ามนั่นแหละคือว่ามันจะของคู่ติดกันมาเลยถ้าเรายังมีความพยายามที่จะไปเอาอะไรแสดงว่าเราไม่ชอบอะไรอันนี้มันจะเของติดคู่กันมาเป็นกิเลสติดคู่กันมาเลยถ้าเรายังมีความจะไปเอาอะไรแสดงว่าเราเรายังไม่ชอบอะไรอยู่ตรงนี้เราไม่ชอบเราเราชอบที่อย่างอื่นมากกว่าเดี๋ยวเราจะไปเอาอย่างนี้ไอ้ที่เราชอบก็ไม่ชอบมันเป็นกิเลสติดคู่กันมาเลย อย่างเมื่อกีที่ท่จันนันถามเห็นไหมที่บอกว่าที่อะไรนะที่บอกว่าอะไรนะเออมันติดสบายทำไงหนูถึงจะไม่ติดสบายเห็นไหมมันมีคู่กันแสดงว่าเราไม่ชอบที่มันติดสบายเราชอบที่มันไม่ติดสบายชอบติดสบายชอบติดสบายเออแนนท์ก็ชอบติดสบายแสดงว่ามันไม่ันไม่ชอบที่ไม่ติดสบายอะไรมันคือมันจะต้องคู่กันเนี่ยมันต้องติดคู่กันอยู่เยอะเนี่ยนนทถ้าชอบมันต้องไม่ชอบคู่กันมาเนี่ยนนท์มันจะชอบไปหนึ่งต้องไม่ชอบอีกไปหนึ่ง มันแต่จริงมันมันมันมีชอบกับไม่ชอบติดอยู่ในใจนั่นแหละมันติดคู่กันมาเลยเราไปเห็นตรงเนี้ยถ้าระวางหมดสองด้านไม่มีอะไรเลยทุกอย่างก็วางเปล่าไม่มีอ่ะอย่าไปวางอย่าไปคาดหวังอะไรคาดหวังเห็นแต่ใจคนตัวเองที่ก็ชอบไม่ชอบอะไรชอบไม่ชอบชอบไปชอบชอบไปชอบเนี่ยเราเห็นในปัจจุบันแล้วเราก็วางลงเดี่ยวมัชอบไม่ชอบเดี๋ยวชอบอย่างนี้ไม่ชอบอ่นี้ชอบอย่างนไม่ชอบ เอ๊ะทำไมไม่เป็นเอ๊ะทำไมไม่ได้เอ๊ะทำไมไม่ถึงอะอย่างนี้เราทุกอย่างทุ ก, ากตายอย่างนี้อ่านใจเตะขาดนะกระจายไห ม, มนักสักการณ์หลวงตาค่ะมาที่เจ้นายจากที่หลงตาเทศนะคะค่ะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีหมดทุกอย่างเลยมีตัวเรามีอยากจะเอาอยากจะเป็นทําอะไรเพื่ออยากจะได้อะไรอยากจะสงบจากปฏิบัติให้ดีก็รู้ตัวอยู่นะคะหลวงตา มันแล้วก็มีเออระยะหลังนี่ก็มีความปล่อยวางได้มากขึ้นไอ้เรื่องเอออะไรที่มันเป็นกิเลสอะไรเงี้ยมันก็เห็นตัวกิเลสของตัวเองแล้วก็ปล่อยวางได้มากขึ้นนะคะหลวงตาแต่มันก็ยังมีอยู่ะคะ่ะแต่ก็รู้สึกว่าระยะนี้รู้สึกความเพียรความต่อเนื่องเนี่ยมันจะขาดสายไปอนะคะ่ะหลวงตาแล้วมันก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยก้าวหน้าไปไหนอยากจะว่าหลวงตาจะชี้แนะอะไร ครับการปฏิบัติต่อไปนะคะทุกท่านก็อ่านใจตัวเองให้ขาดทุกขณะปัจจุบันนะแหนในใจมันจะมีแอบตัวมีแอบดิ้นรนค้นหาพยายามแอบที่จะเข้าไปวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยเพื่อจะให้มันรู้ให้มันเห็นให้มันได้มันเป็นมันเป็นยังไงแล้วก็แอบเข้าไปตลอดะอ่านใจตัวตรงนี้ให้ขาดสังเกตให้ออก มันไม่มีกิเลสนะไปมีกิเลสต่ออย่างนู้นอย่างนี้ต่างอย่างกันอย่างนี้มีกิเลสไปมีกิเลสเข้าเป็นกิเลสในการปฏิบัติใช่หมคะหลวงตเออกิเลสในการปฏิบัติแต่จงมันมีกิเลสในการปฏิบัติก็จะมีกิเลส่างอื่นบนมาแล้วแหละในกิเลสในโลกมันจะหลุดไปได้แต่กิเลสในการปฏิบัติหมดกิเลสในโลกก็หมดคือตัวผู้จะเอามันหมดไปเลยทุกอย่างต้องหมดทั้งกิเลสโลกและกิเลสธรรม แต่ถ้าเราอ่านไม่ออกมันมีตัวผู้จะเอาจะเอาจะเอาไม่แต่ะการพูดปฏิบัติธรรมวิเคราะห์วิจารวิจัยหมกมุ่นอยู่ในใจเราเรื่องการปฏิบัติธรรมแต่มันการที่หมกมุ่นอยู่เนี้ยมันจะหมกมุ่นเพื่อความเห็นตัวเห็นตัวผู้จะเอาเห็นกิเลสเพื่อจะดับกิเลสแต่มันจะไปเอาหมกมุ่นเพื่อจะไปเอาหมกมุ่นเพื่อจะไปเอาแล้วเราก็อาจใจตัวเองไม่ขาดถ้าเราเนี่ยเห็นว่าเออความหมกมุ่นที่จะไปเอาอะไรมันขาดดับลงไอ้ความกิเลสในโลกก็ดับลงไปด้วยเพราะว่ามันสิ้นผู้จะเอาพอสิ้ผู้จะเอาไว้ผู้จะไปเออาะไไรในนโลกกมัั็ดดบป้วย แต่ส่วนใหญ่พวกเราเนี่ยมาเพื่อเป็น ing, บาปทําเสร็จแล้วก็บมกมุม่นแตเรื่องเรื่องการพึ่งปรทับในใจแล้วต้องจะเอาจะเอาจะได้จะเป็นมันไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้ไม่เป็นก็จะเอาจะเอาช่วยเอาหรือว่าได้ปฏิบัติได้แล้วก็ชอบแล้วก็เอาเศษมันไว้อย่างนั้นน่ะรักษาไว้ขามันไว้ก็ไม kind of ่รู้อาจใจเองไม่ขาดตัวนี Dad, ้ม like ันกลายเป็นพอเรามีตัวนี้เราก็เลยมีกิเลสโลกด้วยถ้ายังมีผู้จะเอาก็เลยมีผู้จะเอาในโลกด้วยตอนิ้นผู้จะเอาในใจเราเนี่ยที่จะเอาทั้งธรรมแม้จะที่ผู้จะเอาพระนิพพานมันก็เลยท้น กิเลสเป็นหมดเลยทั้งโลกด้วยมันต้องอ่านใจตัวเองให้ขาดวันเนี้ยมันหมกมุ่นในธรรมปฏิบัติหมกมุ่นในวิธีการปฏิบัติเอาจารย์สอนมาอย่างนี้อย่างนี้หรือจะเป็นนี้หรือทำไมจะเป็นนี้อย่างนี้ทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมเป็นอย่างนี้อย่างนี้ไอ้ที่เราพิจารณาอย่างเงี้ยมันเพื่ออะไรเราถามปุ๊บย้อนกลับมาถามตัวเราว่าเราหมกมุ่นอยู่อย่างเงี้ยเพื่ออะไรเพื่อตัวเราจะไปได้พระนิพพานเพื่อตัวเราจะพ้นทุกข์ใน เพื่อตัวเราจะเป็นปนานิพานเพื่อตัวเราตัวเราเนี้ยเป็นกิเลสทั้งนั้นเ่งอันนี้ตัวผู้จะเอาเป็นอาวิชาอยู่เอาวิชาคาอยู่มันต้องมันก็ต้องมีกิเลสตัณหาแน่นอนเพราะเอาวิชาเป็นเป็นต้นเหตุอ่านใจตัวเให้ขาดอย่างเดียวในะการปฏิบัติอาจใจตัวเให้ขาดทุกคนเนะนี่ยวันเนี้ยมันโดยไปทำนี่จะเอามันจะเอาเมียมันจะเอามันจะเอาอะไระทําเนี้่ยปฏิบัติมันเพื่ออะไรเพื่อความที่ผู้จะเอา ที่ผู้จะเอาก็สิกิเลสตัณหาสิ้นทุกข์เลยสิ่งภพชาสิ่งการเวียนว่ายตายเกิดอแต่นี่เราหมกมุ่อยู่อย่างนี้ทําอย่างนี้ไม่แต่เดินจงกรมไม่แต่นั่งสมาธิเราต้องถามตัวเองตลอดเวลานะเรานั่งสมาธินี่เราจะไปเอาอะไรก่อนเนี่ยเออไม่เอาอะไรแค่รู้เฉยเออใช้ได้เราไปเดินจกรมนี่จะเอาอะไรก่อนเออไม่เอาอะไรแค่รู้ก็สเกตเห็นว่าตลอดเวลาว่ามันมีผู้จะเอาไหมเราเดินไปก็เพืจะดูใจเราว่ายังมีผู้จะเอาไหมเราจะไปเอาอะไรไหม เราจะทําอะไรเราจะปฏิบัติอะไรก็ตามเราพูดจะดูตังเกตว่ามันจะมีผู้จะเอาขายใจใจเราไหมเราจะเอาอะไรไหมใจเราจะไปเอาอะไรไหมเราทำเนี่ยเราจะเอาอะไรจะนิ่งจะเอาเฉยจะเอาสงบจะเอาไม่ปรุงแต่งจะเอาไม่ปุุงสร้างจะเอาไม่ติดอะไรเจ้าจิตดีเจ้านิพพานกิเลสทั้งนั้นเลยเป็นอวิชชาหมดมีผู้จะเอาก็เป็นอวิชชาหมดเพราะอวิชชาก็เป็นกิเลสตัณหาอุปทานพบชาติทุกโศกเศร้าเสียใจขับแค้นใจสิ้นผู้จะเอาเนี่ยสิ้นหมดเลยสิ้น พรเอาวิชาดับสังขารดับวิญญาณดับนามลูปดับสยยัญญาญตนาาะพัสสะเวทนาตัณหาอุปทานพบชติโสกกลริเทวะทุกขาโทมันอุปายาสะทุกตกเศร้าเสียใจครับแค้นใจคันเวียนไหวตายเกิดดับท้อมหมดเลยสิ้นตัวเดียวสิ้นผู้เจ้าเนี่ยคือปฏิจจสมุปบาทที่เขาอธิบายกันโอ้ ย, ยืดยาวอ่านไม่รู้เรื่องเนี่ยมันแค่นี้เองอะไรปฏิจจสมุปบาทสิ้นหัวมันเลยคือสิ้นผู้เจ้าฟาดหัวมันตีหัวมันตรงนี้เลย